พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตะปิฎกสามัญญผลละสูตรสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณนะพระผู้มีพระภาคประทับน้ำป่ามะม่วงของหมอชีวกใกล้กรุงราชครืพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คือวันเพ็ญส5บห้าค่ำอันเป็นวันอุโบสถเดือน12บสองพระเจ้าอาชาศัตรูเสด็จไปเฝ้า ทูนถามถึงผลดีของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันและตรัสเล่าว่าเคยไปถามครูทั้งหกมาแล้วแต่ตอบไม่ตรงคำถามเปรียบเหมือนถามถึงเรื่องมะม่วงแต่ไปตอบเรื่องขนุนจึงต้องกลับพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นข้อๆดังนี้หนึ่งผู้เคยเป็นทาสหรือกรรมกรของพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อออกบวชประพฤติตนดีงามแล้ว จะทรงเรียกร้องให้กลับไปเป็นทาสหรือกรรมกรตามเดิมหรือไม่พระเจ้าอาชาศัตรูตรัสตอบว่าไม่เรียกกลับแต่จะแสดงความเคารพ ถ, ถวายปัจจัยสีและถวายความคุ้มครองอันเป็นธรรมตรัสสรุปว่านี้เป็นผลของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบัน 2. คนทำนาของพระเจ้าอาชาศัตรู เมื่อออกบวชประพฤติตนดีงามแล้วจะทรงเรียกร้องให้กลับไปทำนาให้ตามเดิมหรือไม่ตรัสตอบเหมือนข้อแรกจึงนับเป็นผลของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบัน 3. าข้ารหาบดีหรือบุตรข้ารหาบดีฟังธรมรมเลื่อมใสแล้วออกบวชประพฤติพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยศีลซึ่งข้อนี้ทรงพันนาศีลอย่างเล็กน้อยอย่างกลาง อย่างใหญ่เหมือนเนพรมชาลสูตรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นท่วมทับจิตมีสติสัมปชัญญะมีความสันโดษยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ออกป่าบำเพ็ญสมาธิละกิเลส ท, ที่เรียกว่านิวรณห้าเสียได้จึงได้บรรลุฌานที่หนึ่ง นี้ก็เป็นผลของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันสได้บรรลุฌานที่สองหได้บรรลุฌานที่สามหได้บรรลุฌานที่สี่ 7. น้อมจิตไปเพื่อเกิดญาณทัศนะหรือเกิดความรู้เห็นด้วยปัญญาว่ากายมีความแตกทําลายไปเป็นธรรมดาวิญญาณก็อาศัย และเนื่องในกายนี้หมายถึงวิปาาัสสนาญาณญาณอันทาให้เห็นแจ้ง 8. นิรมิต ร, ร่างกายอื่นจากกายนี้ได้คือมโนมยิทธิเป็นฤทธิทางใจเกแสดงฤทธิได้เช่นน้อยคนทำให้เป็นมากคนมากคนทำให้เป็นน้อยคนเดินน้ำดำดินเป็นต้น หรือเรียกว่าอิทธิวิธิ 10. ได้ทิพยโสตคือมีหูทิพได้ยินเสียงใกล้ไกลมีเกินวิสัยหูของมนุษย์ธรรมดา 11. กํากำหนดรู้ใจผู้อื่นได้หรือเจโตปริยญาณ 12. ระลึกชาติในอดีตได้หรือปุเพนิวาสานุสติญาณ 13. เห็นสัตว์อื่นตายเกิดด้วยตาทิพย์เรียกว่าทิพยจักษุหรือจุตูปปาตายานคือยานรู้ความตายและความเกิดของสัตว์14รู้จักทำอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมหรือหมักดองในสันดานให้สิ้นไปหรือเรียกว่าอาสวะขยะยานแล้วตรัสสรุปในที่สุดแห่งทุกข้อว่าเป็นผลแห่งความเป็นสมณนะ ที่เห็นได้ในปัจจุบันสูงกว่ากันเป็นลำดับเมื่อจะย่อผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันทั้ง14ข้อนี้เป็นหมวดหมวดก็อาจย่อดได้สามหมวดคือหมวดที่หนึ่งทำให้พ้นจากฐานะเดิมคือพ้นจากความเป็นทาตเป็นกรรมกรพ้นจากความเป็นชาวนาได้รับการปฏิบัติ ด, ด้วยดีแม้จากพระมหากษัตริย์ คือผลข้อหนึ่งกับข้อ2หมวดที่สองเมื่ออบรมจิตใจจนเป็นสมาธิก็เป็นเหตุให้ได้ฌานที่1ถึงสอันทำให้ละกิเลสอย่างกลางได้คือผลข้อ3ถึง6หมวดที่สามทำให้ได้วิชา8อันเริ่มแต่ข้อ7ได้วิปัสสนาญาณจนถึงข้อ14ได้อาสวรคขยะญาณ พระเจ้าอาชาสัตรูทรงเลื่อมใสปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตและกราบทูลขอขมาในการที่ปลงพระชนชีพพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรับขมาเมื่อพระเจ้าอาชาสัตรูเสด็จกลับแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ปลงพระชนพระราชบิดาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน